เทศที่78ลำดับที่23โดยรวงข้ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคน้อยจังหวัดพุดอาธานีแสดงทําในวันที่22มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าความเด็กเดี่ยวในข้อวัดปฏิบัติ วันให้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนหกวันพระทุกวันพระให้คณะสัยาญาติโยมลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาควรจะสมาทานศีลห้าเป็นจิตจะลักษณะสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะให้มีาศาสนาพิธีถ้าไม่มีาศาสนาพิธีเฉลยวันไหนก็วันเก่าก็ยังไงยังไงอยู่ สาสนาพิธีก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของลูกหลานพี่น้องประชาชนว่าอย่างน้อยกับพวกเราได้รับได้สมาทานศีลห้าทุกวันพระก็จะเป็นสิริมงคลสำหรับการเป็นอยู่ของพวกเราเอาต่อ น, นี้ไปให้โยมท่แกเสือสลาดเป็นผู้พานนาไหว้พระ ขับพร้อม น, นะครับเอาขับอิมินาสกาเลนาทางพุทังอาปิปุสยามะ เ, เ, เมื่อกี้ในหลวงพ่อดูขึ้นแปดค่ำเดือนแปดหลวงพ่อก็แปลกใจหลวงพ่อล้วเอานปฏิทินมาดูเนี่ยก็เดือนแปดจริงๆมาว่ะอา้าวเดือนนี้เป็นเดือนแปดแล้วเหรอเนี่ย วันให้เป็นวันพระขึ้นแปดคำ่ำแต่ลุงพ่อคิดว่ายังยังเป็นเดือน เ, อเดือนเจ็ดอยู่นะแต่พอพอดูแล้วนะมันเป็นเดือนแปดเพราะมันแปดสองโหนปีนี่ <c oughs> แต่ตามไม่จริงฟ้าฝนก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่ทำไมฝน ตกปีนี่รู้สึกว่าไม่ได้น้ำได้เนื้อเลยชาวนาคอนรู้สึกว่าร้อนใจพอสมควรอยู่ฝนไม่ดีสรุปแล้วปีนี้หรือ ว, ว่าต่อ น, นี่ไปกำมังะแต่หวังหวังอนาคตตั้งแต่วันนี้ไปฝนก็คงจะดีกำมังนะแล้ววันนี้เป็นวันพระพวกเราทุกวันพระ ที่มาสู่วัดหลวงพ่อเองก็อยากจะให้พวกเราสมาทานสินห้าสำหรับผู้ที่เคยสมาธิสมาทานสินแปเป็นพื้นฐานอยู่แล้วผู้ที่สมาทานสินตั้งแต่ในพรรษาตลอดถึงแรงทั้งฝนก็มีอยู่เพราะทั้งผู้ที่สมาทานสินอุโบสถสิน8ปก็ให้สมาทานตามปกติ ผู้ที่เข้ามาใหม่แต่ยังเรียนรู้ปูพื้นฐานก็ควรจะรักษาศีลห้าไปก่อนเพื่อเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะได้เข้มงวดกวดขันกับตนเองถึงจะเป็นผู้มีศีลมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีต่อไป ใ น, นปูพื้นฐาน <c oughs> ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมพิธีการอะไรมาสู่วัดก็รู้สึกมันก็ผ่านผ่านไปถ้าหาว่าผู้ที่เข้ามาสู่วัดแล้วเออมีการไหว้พระสมาทานศีลอย่างน้อยก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของพวกเราพุทธศาสนิกชนให้ตื่นตัวบ้างาควรจะมีศีลทุกวันพระเป็นอย่างน้อย หรืมาสู่วัดได้มาสู่วัดอย่างนี้แหละเร า, าควรจะมีศีลสมาทานศีลห้าไว้แต่การรักษาศีลและสมาทานศีลถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อเองอยากจะให้ลูกหลานคณะตถาคตญาติโยมรักษาทั้งวันก็ไม่เห็นจะหนักหนาที่ตรงไหนทามันขาดศีลมากแต่งนมนานสมาทานศีลให้มีกฎระเบียบสําหรับตัวเองบ้าง จะไม่ดีเหรอแต่ในหลักธรรมคาสอนปราทั้งหลาย ข, าขา้าขวัตนดะีถ้าเป็นผู้มีศินแต่มีแต่พวกเรากิเลสว่าไม่ดีนะแต่บัณฑิตนักปรารถนาขา้าววัตดีนะั่นหะเพราะนั้นพวกเราต้องฟังบัณฑิตนักปรารถน้างวันห้รนักษาตอังบินัปนาข้อยวัน่หนึ่งกับคืนักนึ่้าวขวัตดีน่นหรนันกหนาท้่งฟงบิตนปรนา้านะีนันละเพรน้นพืา้ น, านเป็านศขล สำหรับคราวญญาติโยมนะวันนี้กขวันหนึ่งอยากจะให้พวกเราสมาทานสินอัตต น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสิน <c oughs> นะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปท า, าสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีหลังวิโสทาเย วันนี้เป็นวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2558เมื่อวานวันที่22เย็นหลวงพ่อได้ไปสวดพระปริตะมงคลครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่เพียรวิริโยวัดป่าหนองกองทำบุญครบรอบ6ปีนะโ พูดเมื่อวานเนี่ยแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ไล่เลียงดูท่านมรณภาพมาหกปีแล้วก็วันที่ท่านมรณภาพหลวงตาของเราก็ยังทรงทาทขันอยู่ท่านยังได้ม า, าประชุมเพลิงหลวงปู่เพียนแล้วก็ปีถัดมาเราก็ออกแบบสร้างเจดีย์ในน้ำก็ได้ ดวงตาเขาได้มาวางสิ้นและเลิกเจดีของหลวงปู่เพียรอยู่ในวันนั้นนะเมื่อเคยในหลวงพ่อก็ได้พอไปก็มีหลวงปู่อุ่นหลวงปู่อุ่นล่าคงจะเป็นญาติทางห่างกับหลวงปู่เพียรมื่อท่านมาจากสีฐานกระจายจังหวัดยโสธรขึ้นท่านมาเป็นประธานเมื่อวาน แล้วก็หลวงปู่หนูหยาิใกล้ๆอำเภอบ้านผือนั่นแหละท่านมาเป็นรองแต่หลวงพ่อเป็นองค์ที่สามเมื่อคือนนี้แต่หลวงพ่อเป็นผู้พานำํำสมาทามาพานาไหว้พระพานำสวดมนต์เสร็จแล้วก็ <c oughs> สัตธาญาติโยมพระธรรมหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมเมื่อคืนนี้ จบลงมาแล้วหลวงพ่อก็กลับมาแต่ฝนก็ ป, ปล่อยปลอยนะพอลงพอขึ้นรถนะพอขึ้นรถฝน ป, ปล่อยปลอยจากนั้นก็ปล่อยมาตลอดทางเลยจนถึงมาถึงวัดก็ยังปล่อยอยู่แต่ฝนไม่ตกไม่ลงเพียงแต่ว่านั้นพรกระจกหน้ารถหลายนั่นแหละแต่มันทำไมมันยาวนักตั้งแต่วัดหนองกองมาทั้งสามสี่กิโลเกือบ50สิกิโลมันก็ยัง ผลก็ยังปวยโปรยเรียงเม็ดอยู่ไงโอ้ <c oughs> คิดว่ามันจะฝนจะตกเมื่อคือนนี่ก็ไม่ตกแต่อากาศก็ร้อนนะเมื่อคือนนี่นะกลางคืนนี่นแหละอันนี้ก็คือเมื่อเช้านี่หลวงพ่อก็คิดว่าครูบาอาจารย์ไปเมื่อวานนี่ก็พระครูบาอาจารย์อุ่นหนาฟ้าขึ้งพระมากเมื่อคืนนีมากอยู่มากพอสมควร แต่พี่น้องประชาชนลงทานก็เห็นอบอุ่นอยู่หลวงพ่อคิดว่าวันนี้ก็เลยเออเอาให้พี่พี่น้องน้องลูกลูห ล, ลานช่วยช่วยกันจัดฉันจ้ะพหลวงพ่อไปร่วมแล้วเมื่อวาน ấy, ไปแสดงเคารพสักการะในงานของลูกพี่ลุ่นพี่คือหลวงปู่เพียน แก่อนหน้านี้ก็หลงตาท่านลงไปกรุงเทพที่ไรท่านก็เอาหลวงปู่เพียรวิริโยนติดตามไปตลอดพอมาหลวงปู่เพียไปไม่ไหวสุขภาพไม่ดีท่านก็ถามหลวงปู่บุญมีเหมือนกันนะหลวงปู่บุญเมก็บอกว่าไปไม่ได้ไม่สะดวกกับผมเพราะท่านเกรงเกรงเคารพในองค์หลวงตามากนะหลวงปู่บุญมีพอเข้าไปใกล้หลวงตาและทำอะไรไม่ถูกลักษณะอย่างนั้น่ะ เราเห็นท่านหลวงปู่บุญมีแล้วเขารบในองค์หลวงตากลัวในองค์หลวงตาแต่ก็อยู่ด้วยได้แต่พ่อขาไปใกล้แล้วไม่รู้จะทํำยังไงทําไม่ถูกแต่หลวงปู่ลีก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะสมัยอยู่กับหลวงตานะ <c oughs> พอต่อมาท่านก็เอาหลวงปู่ลีลงไปด้วยไปสวนแสงธรรมอันนี้ก็คือพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นสิทธิอนุสิ์ขององค์หลวงตา แต่หลวงปู่อุ่นที่มาเป็นประธานเมื่อคือนนี้ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิงทองเป็นหลานของหลวงปู่สิงทองธรรมวโรเป็นพระที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาสมัยเมื่อท่านไปอยู่ที่มุกดาหารที่บ้านห้วยทรายนะหลวงปู่สิงทองไปจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายหลวงปู่อุ่นบวชที่มุกดาหารนะและก็หลวงปู่น้อย ที่เป็นคู่นาค ก, กันอาจารย์น้อยอาจารย์อุ่นเป็นเนนทั้งคู่พอครบพระแล้วก็บวชผู้ใหญ่จูมผู้ใหญ่จูมที่เป็นหลวงเป็นโยมอาของหลวงพ่อเป็นผู้บวชให้หลวงปู่น้อยอาจารย์น้อยนะแล้วอาจารย์อุ่นหลวงปู่อุ่นเป็นโยมไว ย, ยาวัจกรของบ้านห้วยใจนะั่นที่เป็นคู่กันกับผู้ใหญ่จูมที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เทิมลุงเทิมก็เหียกลุงเทิมอบอส บ, บวชกันคนละองค์กันเสียสละถวายปัจจัยซื้ออัฐบริขารถวายเนี่ยแหละเป็นอันว่าหลวงปู่อุ่นกับหลวงปู่น้อยเนี่ยบวชมาจากมุกดาหารนะแต่บวชก่อนหลวงพ่อสมัยนะั้นหลวงพ่อยังเป็นสมณเณรอยู่สององค์นีน่ท่านสององค์นี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ิ่งทอง เป็นหลานอีกต่างหากทั้งสององค์นะอันนี้ก็คือถ้าไม่พูดให้ลูกหลานฟังกับลูกหลานคงไม่รู้จักประวัติครูบาอาจารย์เป็นมาอย่างไรนะอันนี้ก็เล่าเท้าเๆความให้ลูกหลานได้ฟังครูบาอาจารย์เกี่ยวเนื่องกันยังไงไปมากันยังไงสวนกันไปสวนกันมาองคหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งไปองหนึ่งไปอยู่ที่หนแต่ที่แล้วก็คือเป็น ญาติโกโหติกาเป็นวงสาคนายาตอันเดียวกันนั่นแหละไปมาหาสู่กันรู้จักมักคุ้นกันสรุปแล้วคือคือเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาเป็นหลานลูกหลานของ เ, อเป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาเคารพในองค์หลวงตาแต่ละหลวงพ่อก็ได้พูดเมื่อคือนนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตา หลวงตาพาดําเนินอย่างไรในกิจจวัตรข้อวัดก็ขอให้พวกเราสิทธิานุสิ์ทั้งหลายเดินตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาท่านกิจวัตรของท่านยังไงท่านบินทัพบาศันในบาศ์อย่างนี้พวกเราอย่าไปปล่อยปะละเลยทิ้งเร็วเกินไปเนะ้อน้องนุ่งทางหลายเนะ้อลู ก, ล, กล้านหลานทางหลายนะ้ อันนี้ถือลุงตาเป็นตัวอย่างขนาดลุงตาหัวแม่เท้าขาดหัวแม่โป้งขาดท่านเดินบิดทบาทไม่ได้ขนาดมาฉันที่ซาล า, ท, าท่านยังยกหัวเขาข้างหนึ่งขึ้นเพราะนั่งพับเพียบไม่ได้พรหัวแม่เท้ามันขาดออกไปท่านยังนั่งชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งท่านยังเอาบาดมาไว้ข้างหน้า ท่านยังฉันไม่บาดอยู่เพราะนั้นพาลูกพาหลานอย่าไปทิ้งบาดพอขนาดใดขนาดหนึ่งนะ่ยโยนบาททิ้งแอบฉันข้างนอกอันนั้นไม่ใช่ปฏิปทาไม่ใช่แนวขององ์หลวงตานะนี่ยแหละหลวงพ่อก็พูดให้ฟังแต่ตามไม่จริงหลวงตาเมื่ออายุท่านเก้าสิบปกว่าเนะีเพราะท่านอายุเก้าสบปดใช่ไหมละ่ะประมาณจะเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเนี่ะหลวงพ่อเขาไปกราบท่าน ท่านบอกเออเราไม่ได้บินทบบาทนะเดี๋ยวนี้นะเรางดแล้วแต่ก่อนที่เราจะไม่บินทบบาทเราก็ได้พิจารณาตัวเองอยู่ใช่ไหมเราพิจารณาเราอยู่อันไหนเป็นมันได้ประโยชน์หรือไม่มันเสียเพียประโยชน์หรือได้ประโยชน์เราไม่ได้ทําโดยที่ไม่ได้คิดในอ่านนะเราคิดอ่านอันนี้คือท่านพูดที่หลวงพ่อเข้าไปกราบท่าน เดี๋ยวนี้ท่านเราไม่ได้บินท่าบาทเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไปบินท่าบาทบางทีคนบางคนก็อยากจะได้บุญมากบางทีก็ใส่น้ำเป็นแพลก็ใส่ในบาทของเราเบางทีก็ใส่นมเป็นแพลเป็นแพลมันก็หนักใชเ่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเราอายุเท่าไหร่พอใส่เข้าไปแล้วก็หัวขมั่มบางครั้ง ก็ทำให้วิงเวียนชี้ศักมันจะหกล้มอะไรง่ายๆ่มันเราคงไม่ไหว้ล้ถธาตุขันของเราขนาดนี้ปนนี้เพราะนั้นตอนเช้าพอพระเอาบาทอะไรลงไปแล้วก็เราก็ไปเดินจ ง, จงกลมตามลำพังฮะเราไปเดินจงกลมไปเปลี่ยนอริยาบทในทางเดินจงกลมแต่เราไม่ได้บินเท่าบาตเพราะบินเท่าบาตก็อย่างที่ว่านั่นะ เพอเอาคนอะเขาของใส่บาทบางทีนับนับดูเป็นร้อยส0งอบาทก็มีคนทายทายบาทออกไป เ, เพราะนั้นไม่ไหวแล้วเราเราก็เลยไปบินทบาทพอหมู่กลับมาแล้วเราจึงไปลงไปหมู่มาบอกว่าปินทบาทกลับมาแล้วเราจึงลงมาฉันนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตาดาก่อนที่ท่านจะหยุด ท่านก็มีเหตุผลของท่านท่านบอกว่าไม่ไหวเวลาคนใส่บาตรเวลาเอาใจในบาตรของท่านมันหนักท่านอายุมากขนาดานั้นเพราะใส่เข้าไปก็บคำหม่ำแล้วหัวคำหม่ำเลยแต่ลูกหลานจะได้บุญขวดนี้ให้พ่อขวดนี้ให้แม่ขวดนี้ให้ตาขวดนี้ให้ยายขวดนี้ให้ใครต่อใครอมีมากผลที่สุดเลย หลวงตาของเรารับไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็คือแนวความคิดของที่องค์หลวงตาที่ท่านไม่ได้บินทบาทท่านก็มีเหตุผลของท่านที่หลวงพ่อได้เขาไปกราบคาระวะท่านนี่แหละสรุปแล้วก็คื อ, อ, อการบินทบาทอย่างหลวงปู่มั่นอายุแปดสิบปีหลวงปู่เล่าหลวงปูล่ลาเล่าเล่าให้ฟังนะท่านเคารพในการบินทบบาทของท่านจริงๆ แต่ตามปกติในะท่านจะไปบินทาบาทไปบินท่าบาทในหมู่บ้านพอพระไปถึงพอเขามองเห็นพระ เ, เข้ามาแล้วเนี่ยเขากดห อ, อ, อ, อกเคาะเคาะกระลอกระลอคือะคระฆังเนะี่ยในหมู่บ้านเขามีไม้แผ่นหนึ่ง เ, เขาเอาม้เคาะเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านตีเกราะนะตีเกราะตีะระฆังเตือนหมู่บ้าน เขากเคาะไม้ปองปองปองปองปองอะไรชาวบ้านโยน่ากับผู้ที่ได้ยินกับแสดงว่าพระมาแล้วนะต้องรีบมานะมากขามาใส่บาตรหลวงปู่มั่นอพอมาใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่มั่นก็นั่งญาติโยมก็นั่งท่านก็ให้พรพอให้พรเสร็จแล้วก็อพระท่านก็เดินกลับมาละ อาหารกู อ, อยู่ในบาดมีโยมพุทธคนเดียวนะ่ที่อุปถากเป็นผู้เดินตามมาส่งบาดจากนั้นก่อนมาถวายบาดมากับปียะมาอะไรมาช่วยชูดดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์สมัยนั้นอยู่ที่วัดหลวงปู่มั่นกประมาณ30องค์20กว่าองค์30องค์ขนาดนี้แหละอันนี้หลวงปูล่ลา่ัานเล่ า, ลาให้หลวงพ่อฟังนะ สมัยเป็นเนนเพราะยังไงท่านก็นเล่าให้ฟังการเป็นอยู่ที่บ้านน้องผือนาในาจากนั้นก็อพอต่อมานี่ยพอหลวงปู่มั่นสุขภาพไม่ดีท่านก็ยังไปบินทาบาทนะไปบินทาบาทเดินไปไปถึงตีนหมู่บ้านชาวบ้านก็มาใส่บาตรพอต่อมาเดินบินทาบาทไม่ไหวพอไปอยู่ใน พอไปถึงพ้นวัดเขาก็มาใส่บาตรเดินไม่ไหวพอได้สู่กันเนี่ยมาเดินเดินอยู่ที่ศาลาอยู่หน้าศาลามาใส่บาตรที่ศาลาหลวงปู่มั่นจึงให้ความเคารพในองค์หลวงปู่มั่นอย่างมากๆนะโอโ้โหท่านเคารพในกิ จ, จวัตรข้อวัดท่านจริงๆคือท่านตจงบิณฑบาตเป็นวัดจริงๆหลวงปู่มั่นทั้ทงที่ท่านได้ชั้นกับชันได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะท่าน มากแล้วต่อมาท่านก็เลยออกมาทางวัดจังหวัดสกล น, นครก็เป็นอันว่าหลวงปู่มั่นกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านไปอยู่เชียงใหม่หลายปีมาอยู่ทางภาคอีสานของเรานีสบปีมาท่านจุคุณธรรมะเจดีนิมนต์การาบเวราธนานิมนต์ท่านมาอยู่วัดนี่แหละ ว, วัดอะไรจังที่อุดรวัด ป่าชิวัดป่าวัดไม่ใช่ท่านมาอยู่ที่นี่สองปีจากนั้นทขาไปอยู่ที่สกลนครไปอยู่สกลนครไปอยู่ที่บ้านโคกเนะี่ยสองปีจากนั้นท่านก็เข้าไปอยู่ข้างนายอีกหกปีบ้านนองผือน า, นาไนหปีก็เป็นนั้นว่าหลวงปู่มั่นท่านกลับมาข่าวทนะี่ท่านมาอยู่ทางภาคอีสาน โ ป, โ, โปรดลูกโปรดหลาน10ปีนะาจากท่านก็ท่านเขาจุตินิพพานอันนี้ก็คือท่านมาปลูกฝังอุปนิสัยแต่ตามไม่จริงท่านขึ้นไปอยู่ทางเชียงใหม่ก็คู่บายจานทางนี้ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะขึ้นไปเยอะขึ้นไปอยู่กระองค์หลวงปู่มั่นแต่ตามไม่จริงท่านดูๆแล้วท่านไปอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่หลายปีกับ พระที่จังหวัดเชียงใหม่จริงๆก็ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่กี่องค์มีน้อยมากที่ปันปลูกอุปนิสัยทางาทางทางทา ง, ทางเมืองเหนือนะอดูๆแล้วก็ไม่มากแต่โดยมากกับทางอีสานของเราท่านไปอยู่ที่ไหนติดตามกันท่านขึ้นไปแล้วก็ไปปนไปปนนิบัติแล้วก็ไปฟังธรรมเทศนาของท่านาโดยมากจะผ่านทางจังหวัดเชียงให ม, ม่มามากเหมือนกันนะ ตั้งแต่หลว ง, งปู่เจ๊หลวงปู่หลายหลายองค์หลวงปู่ฟันเคยไปหลวงปู่เทศเคยไปหลวงปู่เขาหลวงปู่พรมโ ด, โดยมากมิธภัณฑ์ขึ้นไปศึกษากับองค์หลวงปู่มั่นทางจังหวัดเชียงใหม่เกือบทางนั้นท่านเขาไปอยู่น้ำพกมูเซอร์พวกกะเหลี่ยงท่านไปอยู่กับพวกมูเซอร์ น, ะนี่แหละทามประวัติของท่าน อันนี้แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านไม่ได้ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่สะดวกสบายนะพระลูกพาหลานเนะแต่ถึงยังไงพวกเราจะมันจะไปที่ไหนก็ไปลําบากแล้วเดี๋ยวนี้ถือใครจะไปก็ไปได้แต่มันไปอะมันไม่เหมือนตะกอนอนะ่ะบ้านเมืองเต็มไปหมดหละแตความเจริญไปที่ไหนก็นะั่นะไปผิดที่ผิดทางเข้าไปอยู่ในป่าสงวนของเขานะเนี่ยเผลอๆเขาจะจับออกมาอีกต่างหาก ทุกวันนี่นะมันไม่เหมือนตะกอนนะมันไม่สับปลายะเหมือนตะกอนนะแต่ถึงยังไงก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่นัดสถานที่ใดก็พึ่งตนเองนั่นแหละประกอบคุณงามความดีใส่ตนเองนั่นแหละให้ภาวน า, าหาความสงบที่อยู่ที่วัดไหนวัดไหนมีที่สงบสงัดอา้าวหลบเลีกยกลีกเล่นแล้วก็หาที่สงบภาวนาปฏิบัติชาระกายใจของตอนเอง นั่นแหละอันนั้นคือหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าจะอยู่ในที่สงบสงัดขนาดไหนก็เถอะสงจิตสงใจออกไปทางโลกอยู่ตลอดมันก็ไม่ถูกเหมือนกันไม้มอยู่บนบกแต่ชุ่มด้วยยางแต่ชุ่มด้วยยางเป็นไม้สดไม้ดิบสีก็ไม่เป็นไฟเพราะเหตุไรเพราะว่า ถึงจะอยู่บนบกก็จริงอยู่แต่จิตใจของเราไม่ได้เข้ามาหาศีลหาธรรมนีแต่จิตใจมีแต่คิดไปทางโลกตลอดนี่แหละใครว่าไม้อยู่บนบกชุ่มด้วยยางแต่ทางว่าไม้อยู่ในในน้ำชุม่มชุ่มด้วยน้ําชุ่มด้วยยางอันนั้นก็นคือเป็นฆราวาสญาติโยมอยู่อยู่ในน้ําไม่สามารถที่จะแช่สีเป็นไฟได้ เพราะนั้นให้ไม้ที่มันแห้งนะทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวของพธธนะุทธะนั่นแหละให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเอาวันนี้ก็ต่อไปนิพพะสงอนุโมทนาให้พรนะครนักทายญาติโยมนะอุธิส่วนกุศลหนานะ